เพราะว่าถ้อยคำเนี่ยนะโวหารนี่เรียกว่าเป็นสมมุติสัจจะประมัติสัจจะพูดได้ไหมตัวประมะเองพูดได้ไหมไม่ได้ก็ต้องอาศัยสมมุติสัจจะนี้สื่อให้ถึงรู้ถึงประมัติสัจจะเพรา ะ, ะสมมุติสัจจะเนี่ยถ้าใครเข้าใจในสมมุติสัจจะดีก็สบายมากที่จะเข้าใจประมัติสัจจะ แต่ก็มีบางกลุ่มที่รู้ปรมัตทสัจจะแต่ไม่ค่อยรู้สมมติสัจจะก็มีอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะคือท่านรู้ในโลกของปรมัตทสัจจะแต่ไม่แทงตลอดในสมมุติสัจจะบางคนเขาบอกเข้าเข้าใจหมดแหละสภาวะมันเป็นยังไงแต่เอามาพูดไม่ได้เออก็บางนั่นนะ แต่ถ้าไม่รู้นะเขาพูดมาไม่รู้มันจะเข้ากับพระไตรปิฎกหรือเปล่านี่เป็นยังยังยังลำบากใจอยู่เหมือนกันดีแล้วที่เขาพูดไม่ค่อยได้พูดได้ก็ไม่รู้รับที่ไหนจะเกิดอีกบ้างเราไม่ทราบคือบางคนนี่เข้าถึงสภาวะนะก็อย่างว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลกุศลอย่างเดียวไหมไม่ใช่เพราะสภาวะธรรมบ้างละทั้งหลายก็เป็น อกุศลสภาวะธรรมทั้งหลายบางอย่างก็เป็นอพยากะตะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงสภาวะนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าอสภาวะมันมีจริงแต่ไม่รู้สภาวะตัวไหนก็ไม่ทราบอันนี้ที่ที่จะต้องศึกษาพระพุทธพจน์เพื่อเพื่อจะได้แยกแยะไอ้สภาวะเหล่านั้นเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งที่เราเจริญเนี่ยนะเราเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่านี่เป็นกุศลเป็นกุศลจริงๆนะที่เจริญเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องรับรอง เนี่ยถูกต้องแล้วไม่ผิดเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองใครเป็นผู้ให้คะแนนเนี่ย น, นะก็เนี่ยถ้าไม่อาศัยคําสอนเป็นผู้ให้คะแนนนะลําบากมากเพราะว่าถ้าเราเอาแต่ใจเราเข้าว่าก็อย่างที่ถามว่าใจเรามันมีตั้งโลกนะไม่ค่อยมีครบแปดสิบเ้าดวงหรอกมหคตาจิตเอาออกลดกุศลจิตก็มีไม่มากนะถ้าเอาใจเราเข้าว่าอย่างเดียวก็ มาดูว่าถ้าส2บสองดวงแรกนี่ก็ยุ่งมากเอาใจเราเข้าว่าในเพราะนั้นก็นี่ครเรียกว่าที่ที่เราพึ่งพิงนี่จะต้องมั่นคงใช่สารณะต้องมั่นคงมากๆเลยทำมังสารานางังฆาชามีนะปริยติธรรมนี้จึงไม่ผิดนะปริยติธรรมนั้นเป็นสารณะจริงๆช่วยช่วยรักษาผู้นั้นไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศลอันถ้าใครที่สามารถฟังทรงจำพระปริยติธรรมเอาไว้ได้นะ เพราะปริย in ัต exactly right. fulfill no ิธรรมเนี่ยโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นตัวที่ชี้ให้เห็นโลกุตระธรรมเป็นตัวที่ชี้โลกุตระธรรมเป็นสิ่งที่บอกโลกุตระธรรมถ้าไม่มีปริยัติธรรมขึ้นมานะโลกุตระธรรมของสาวกทั้งหลายมีไม่ได้โลกุตระธรรมของสาวกทั้งหลายมีได้ก็เพราะปริยัติธรรมนั่นนะทีนี้ในปริยัตทั้งหมดเนี่ย ที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพระองค์ก็มีความประสงค์ทั้งหมดในการสอนทุกสู่ทุกสู่ ท, ส ท, สที่พระพุทธเจ้าสอนมีความประสงค์หมดเลยเนี่ยนะความประสงค์ของพระพุทธเจ้านะจะมาดูตัวอย่างในข้อ26กว่าทำแล ย, ย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติทธรรมเหมือนร่มใหญ่ที่ช่วยกันฝนในเวลาฝนตกฉะนั้น นี้เป็นอนิสง์ในธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกคติถามว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงคาถานี้ออกมาเนี่ยพระองค์มีประสงค์อะไรตอบว่าพระองค์ประสงค์ดังนี้ว่าชนทั้งหลายที่ต้องการพ้นจากอบายจะประพฤติธรรมนี้เป็นความประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเทศนานี้อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้อยคำที่พระองค์แสดงเราต้องพยายามจับที่วัตถุประสงค์ของผู้แสดงว่าผู้แสดงเขาต้องการอยากให้เรารู้อะไรอย่างคาถานี้ใช่ไหมว่ากุศลธรรมย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรมก็คือถ้าผู้นั้นนะเจริญในกุศลกุศลถ้าตามอัตถกถาก็บอกว่าทานศีลเป็นต้นนั่นเองนะทานศีลภาวนาเนี่ยนะผู้ที่รักษาธรรมอย่างนี้เนี่ยนะ ผู้ที่มีปกติรักษากุศลจิตให้เป็นไปกับทานศีลภาวนากุศลธรรมเหล่านี้ที่เขาเจริญดีรักษาดีเนี่ยจะป้องกันเขาไม่ให้ฝนคืออกุศลนี่มันตกมาในจิตใจเพราะว่ากุศลธรรมประดุดร่มอกุศลประดุดน้ําฝนที่ที่มันจะเปียกรถเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ธรรมะก็เหมือนประดุด ร, รม่มถ้าหากว่าเราประพฤติธรรมได้ดีก็เหมือนกับเราถือร่มเอาไว้ให้ดีฝนก็ไม่เปียกฉันใด ผู้ประพฤติ ธ, ธรรมที่ทประพฤติจนดีแล้วเนี่ยนะเขาก็ไม่ไปสู่ทุกคติฉันนั้นนะที่พระองค์ประสงค์ก็เพราะว่าเมื่อเมื่อฟังคําสอนนี้สัตว์ทั้งหลายจักได้ประพฤติธรรมถ้าดูจากพระพุทธพจน์ตรงนี้เนี่ยเราก็เวลาเห็นสัตว์ในอบายนะเราย้อนได้เลยใช่ไหมว่าดีต่เหตุเพราะเขาไม่ประพฤติธรรมนะคิดง่ายๆว่าเออเนี่ยเนะพราะสัตว์เหล่านี้ไม่ประพฤติธรรมเห็นสุนัขทีเนี่ยแกไม่ประพฤติธรรมแกจึงเกิดเป็นสุนัข เห็นช้างทีหนึ่งก็บอกว่าช้างแกไม่ประพฤติ ธ, ธรรมนะั่นแหละก็เลยเป็นช้างเห็นหมูเห็นไก่เห็นยุงบินว่อนก็เหมือนกันเนี่ยนะเออแกไม่ประพฤติ ธ, ธรรมนะนี่ถ้าชั้นเดือดชั้นโกรธแกนะชั้นล่วงอธรันล่วงธรรมตบยุงเข้ามาชั้นก็จะเป็นเหมือนกันต่อไปถ้าชั้นล่วงธรรมก็จะเป็นเหมือนกันนะก็ให้มาคิดอย่างนี้ว่าอบายทั้งหลายที่เกิด ท, ที่ที่มีอยู่เนี่ยนะทุกขติทั้งหลายที่มีอยู่เนื่องจากไม่ประพฤติธรรม พระโพธิสัตว์ท่านแนะนําพระราชาว่าขอมหาบพิจงประพฤติธรรมในบิดามารดาคือที่เราจะประพฤติธรรมนะที่ที่เราจะประพฤติธรรมในที่ไหนว่างหนึ่งบิดามารดามหาบพิจงประพฤติธรรมในบุตรและภริยามหาบพิจงประพฤติธรรมในข้าทาสและกรรมกรมหาบพิจงประพฤติธรรมในสมมาพราหม์มหาบพิจงประพฤติธรรมในหมูนกเนื้อทั้งหลายอันนี้คือสถานที่ที่เราจะต้องประพฤติธรรม ประพฤติทำกับพ่อแม่ทำยังไงเนี่ยนะก็เอาให้สมควรเนี่ยนะเช่นก็แบ่งออกเป็นอมิสทานกับธรรมทานช่วยพ่อแม่ในด้านอมิสกับช่วยในด้านพระธรรมแต่ถ้าได้ยางใดยังหนึ่งก็ให้ดีใจไปเลยถ้าไม่ได้สักอย่างเลยก็ควรทำเนี่ยนะควรทำก็คือควรเข้าไปทำไงดีกว่าปล่อยปละละเลยไปเลยเนี่ยนะถ้าปล่อยปละละเลยก็เสียหายมากเลยนะ ก็หลายท่านก็เป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมในบิดามารดาใช่ไหมมาตาปิตุอุปัฏฐานังเลยนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลท่านบอกว่าเออนเนี่ยเธอทั้งหลายก็ชื่อว่าเจริญรอยเราเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์พระโพธิสัตว์ในอดีตพระองค์ก็ประพฤติธรรมในบิดามารดาเป็นศีลกุศลเนีเป็นศีลกุศลหลายท่านบอกว่าเออนเนี่ยกำลังไปสนทนากับบิดามารดาอยู่ก็อนุโมธนาด้วย น, นั้ะว่าประพฤติธรรมในบิดามารดา แต่ก็ไม่ใช่ไปชวนให้ท่านเป็นอกุศลเพิ่มขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่รูปเป็นอาธรรมนะตรงนั้นนะก็ชวนกันประพฤติธรรมนะนะจงประพฤติธรรมในบุตรและภริยาเนี่ยนะแค่ไหนจึงจะเรียกว่าประพฤติธรรมในบุตรภริยาหรือภริยาเนี่ยประพฤติธรรมกับสามีเนี่ยนะทำยังไงจึงจะเรียกว่าประพฤติธรรมในในสามีหรือในข้าทาสในกรรมกรคนใช้ทั้งหลายเนี่ยนะก็ควรประพฤติธรรมในหมูนกหมูเนื้อหมูสัตว์ อันนี้เรียกว่าประพฤติธรรมในหมู่สัตว์ประพฤติธรรมในสมณพราหมณ์ก็ทั้งในเจดีศรีมหาโพธิ์เป็นต้นนะสมัยนี้นีในพระสงฆ์องค์พระเจ้านักบวชทั้งหลายเนี่ยเราจะไปะพฤติอย่างไงจึงจักเป็นธำทำที่ประพฤติดีแล้วอย่างนี้นี่แหละจะทําให้เขาไม่ไปสู่อบายเนี่ยนะรักษาเขาเขาต้องประพฤติธรรมแต่ธรรมเนี่ยจะรักษาเขาตอนแรกเขารักษาธรรมตอนหลังธรรมรักษาเขาเนี่ยนยีตอนแรกก็รักษากุศลธรรมใช่ไหม แต่ถ้าฝืนกุศลธรรมนะถ้าฝืนกุศลธรรมไปประพฤติอาคุศลธรรมแล้วเขาจะเดือดร้อนถ้าอย่างพูดถึงร่มในเวลาฝนตกเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยถ้าถ้าใครเคยไปรับฝนเม็ดโตโตหน่อยนะอันนี้ท่านบอกในคัมภี์ท่านบอกร่มใหญ่เนะีถ้าใครเคยไปตากฝนมาจริงๆเนี่ยจะรู้ถ้าฝนเม็ดโตโตเลยนะีโอถ้าไม่มีร่มนี่ปวดมากเจ็บมากเลยนะเม็ดโตโตถ้ายิ่งฝนแบบลูกเห็บด้วยนะ ภาคเนี้ยเขามีลูกเห็บน้องๆองมะพร้าวมันตกใส่ลังคารั่วเลยนะตกใส่ลังคาเนี่ยดีนะไม่ตกใส่กระบาลไม่งั้นลำบากกระบาล น, นี่เป็นภาษ า, ขาเขมแรแปลว่าหัวนั <c oughs> ่นก็ดีนะไม่งั้นก็หัวแตกเลยเลยมันก็ก้อนน้ําแข็งมันตกลงมาใส่หัวนั่นแหละพูดง่ายๆโ <c oughs> ครมเลยนะหลังคาบ้านกระเบื้องยังแตกเลยคิดดูว่ามันจะขนาดไหนถ้ามีร่มก็ยังชั่วไหนปกปิดเอาไว้นะ ก็ถ้าจะเอาไปเจริญ <the> สู่นี้ไปเจริญก็คิดง่ายๆนะโอ้ถ้าเห็นมนุษย์ก่อนึกนะว่าโอ้นี่เขาประพฤติธรรมนะเขาจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเขาประพฤติอธรรมอยู่ล่ะก็เจริญต่อไปว่านี่นะเขาจะไปสู่อบายเพราะอธรรมของเขาที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเขาประพฤติธรรมเนี่ยนะเห็นมูวอบายทั้งหลายนะเจ้าทั้งหลายที่มาเกิดในอบายเพราะเจ้าไม่ประพฤติธรรมเจ้าจึงเกิดในอบายทีนี้ถ้าเจ้าประพฤติธรรมตอนที่อยู่ในอบายเจ้าจากไป สุขติเนี่ยนะแล้วก็เพราะไม่ประพฤติธรรมนั่นแหละสัตว์จึงไปสู่โลกที่ชั่วเนี่ยนะเพราะว่าธรรมเนี่ยนะรักษาผู้ประพฤติไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วธรรมนี่ก็แบ่งออกเป็นโลกิยะธรรมกับโลกุตระธรรมใช่ไหมโลกิยะธรรมก็ถ้าประพฤติดีก็ไม่ให้ตกไปสู่อบายถ้าโลกุตระธรรมก็ไม่ให้ตกมาสู่วัตตะวัตตะนะถ้าเทียบกับนิพานเนี่ยเร็วมาก น, นะวัตตะในภูมิสามนะี ถ้าเทียบในสุขคติด้วยกามเนี่ยอบายเนี่ยเร็วมากถ้าเทียบในสุขคติกับทุกคตินะสุขคติเนี่ ย, เ, ยเร็วมากถ้าเทียบนิพพานกับวัตตะเนี่ยบอกวัตตะเร็วมากังนั้นถ้าประพฤตถึงขนาดโลกุตระธรรมก็พ้นจากวัตตะทั้งปวงก็ถือว่าพ้นทุกทั้งปวงนีในคาถาที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคานี้ไว้ว่าโจรผู้ถูกเจ้าหน้าที่จับได้พร้อมทั้งของกลาง ที่ทางเข้ารั้วบ้านย่อมถูกฆ่าถูกจองจําด้วยกรรมของตนฉันใดหมูสัตว์ผู้มีปกติทำบาปนี้ตายไปแล้วย่อมถูกฆ่าถูกจองจําในภพหน้าด้วยกรรมของตนฉันนั้นถามว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี้ยประสงค์อะไรพระองค์ประสองค์งงว่าเมื่อบุคคลมีเจตนาทํากรรมสั่งสมบา ป, ปรกรรมเนี่ยนะที่ให้ผลเป็นทุกข์จะต้องเสวยวิบากอันไม่พึงปรารถนาไม่น่ายินดี อันนี้คือความประสงค์ของพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ประสงค์จะบอกว่าถ้าแกทําชั่วแกจะต้องได้ทุกข์ท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวต่อทุกข์ท่านจะทําทชั่วถ้าท่านกําลังทําชั่วหรือจกทําชั่วต่อให้ท่านเหาะหนีขึ้นไปแนวาตาดท่านก็ไม่พ้นไปจากความชั่วความทุกข์สินะก็ไม่พ้นไปจากความทุกข์ก็พูดถึงโบราณเขาบอกว่า เจ้าหน้าที่จับโจรพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จับโจรพร้อมทั้งของกลางได้นะโจรนั้นก็เสร็จแน่แต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะบอกว่าเจ้าหน้าที่จับยาบ้าจับคนค่ายาบ้าพร้อมทั้งของกลางเดือดร้อนแน่โดนแน่นะก็แต่ขนาดนั้นนะคนก็ยังไม่ขยับกันนะโหจับได้ทีสองหมื่นเม็ดบ้างห้าพันเม็ดบ้างเลยนะก็ หนักเอามากเหมือนกันนะบางคนออกรถใหม่ๆเลยนะเพื่อมาขนถ่ายยาบ้าทิ้งหลายหลายร้อยเม็ดเนี่ยหลายพันเมตรเนะี่ยคิดว่าจะเอามาผ่อนยาใช่ไหมผ่อนรถใช่ไหมหนักๆเข้าก็หมดทั้งรถหมดทั้งคนนะกรณ <c oughs> นะีเพราะว่าเจ้าหนะ้าที่จับได้พร้อมทั้งของกลางนะหลุดยากมันถ้าก็ฆ่าเข้าคุกนะทันอกุศลเนี่ยนะถ้าตอนที่ทําแล้วยังไม่ให้ผลเนี่ย คนพาลจะนึกว่ามันดีคนพาลทั้งหลายเนี่ยนะเวลาทําบาปประกรรมนะทำชั่วเนี่ยถ้าตอนที่บาปไม่ให้ผลนะเขาบอกว่ามันดีดีจริงๆไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมทาชั่วได้ดีแกรกว่าอะไรนะทำดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมปลายก็เลยพากันทําชั่วใหญ่เลยนึกว่าตัวเองจะได้ดีเพรา ะ, ะเขาบอกว่ามันดีตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปมันให้ผลเขาบอกโอ้มันทุกข์จริงๆทําไมมันทุกข์จริงเนอะมันทุกข์จริงๆ ทามันให้ผลนะโอดครวนอยู่นั่นแหละส่วนพวกคนดีทั้งหลายนะตอนทําดีนี่ควรกันน่าดูเลยมันจะมีผลดีจริงหรือเปล่านะเขาบอกมันทุกข์มากเลยนะคนให้ทานก็บ่นอย่างนั้นแหละคนรักษาศีลก็บ่ น, บนคนศึกษาธรรมมากก็บน่นเขาก็เฮ้มันดีจริงหรือเปล่าเนี่ยัยงสงสัยอยู่เหมือนกันแต่เมื่อใดบุญมันให้ผลนอเอใช่ใชดีจริงๆงนะเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าคนชั่วเห็นความชั่วว่าดีตราบเท่าที่ความชั่วยังไม่ให้ผล คนดีทั้งหลายเวลาทำดีก็ชือว่าความดีไม่ค่อยดีนักเนี่ยนะนะตอนตลอดที่ความดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความดีให้ผลเ้าก็เลยบอกโอ้ดีเนาะเนี่ยนะนะก็เวลานึกถึงอาบายนะโอ้คนหลายคนเขาดีใจนะโอ้โหนี่ที่เราพ้นจากอบายมาได้นี่ก็ดีแล้วว่างั้นะนะนะก็เท่าที่เคยได้ยินมาก็บอกคนที่เข้าอ่ะคนที่เข้าคุกอีกคือคนที่เคยเข้ามาแล้ว<ม>ส่วนหนึ่งนะนะ<ม>เพราะว่าพอไปนานๆมันก็ลืม นึกว่าไม่มีอะไรก็เลยเข้าอีกแม้กระทั่งคนที่ฆ่าคนเหมือนกันนะคนที่คิดจะฆ่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่เคยผ่านการฆ่ามาแล้วเนี่ยนะมันพวกที่ไปอบายคนที่ไปอบายส่วนใหญ่ก็คือคนที่ชํานาญในการไปอบายอยู่แล้วเนี่ยนะก็อยู่อบายจนชํานาญเนี่ยนะก็เลยทําบาปประกรรมได้บานงั้นถ้าเราทั้งหลายกลัวทุกข์ก็อย่าทำชั่วนะทั้งในที่รับและก็ทั้งที่แจ้ง เพราะถ้าหากว่าเราทําชั่วเนี่ยอยากคิดว่าไม่มีใครรู้นะอย่างน้อยเราก็รู้ก่อนเทพพยญยดาทั้งหลายเขาก็รู้แล้วใครจะต้องรับผลล่ะนะก็เหมือนอย่างว่านะเวลาสมมุติเราจะฆ่าสัตวนะ์นั้นนึกไว้เสมอว่าอาบายนะกับชาติหน้าถ้าเป็นมนุษย์อายุสั้นเกิดเป็นลูกพระราชาผู้ยิ่งใหญ่มากเลยนะบุญมันให้ผลไนงะผลของทานให้ผลเกิดเป็นลูกพระราชาผลของบาปมันให้ผลทําให้อายุสั้นตายตั้งแต่อยู่ในคัน เป็นลูกก็แท้มีเป็นแบบนะใกล้จะคลอดก็แท้งใกล้จะคลอดก็แท้งอย่างงี้ยนะน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจนะก็ในชาดกมีตั้งหลายเรื่องนะพี่ชายของพระโพธิสัตว์ส่วนหนึ่งอนะ่ะเช่นอโยคะชาดกเนี่ยพี่ชายพระโพธิสัตว์เนี่ยแท้งไปหลายคนเนี่ยนะใกล้จะคลอดก็บางคนก็แท้งบางคนก็ยักไปจับกินเนี่ยนะก็ตายตั้งแต่เล็กๆอะ่ะพวกตายตั้งแต่เล็กๆนั่นเศษกรรมของปาณาติบาตเศษนะไม่ใช่ตรงๆเพราะตรงๆก็คืออบายทุกขติวินิบัตินรกนั่นเอง อันนี้ปาณาธิบาตนะถ้าทินนาทานตรงๆของเขาก็คืออบายอีกนั่นแหละเศษอย่างเบาเศษเสีเ้ยวอย่างเบาเลยก็คือมีซัพย์ก็สิส้นทรัพย์แต่ที่แน่ๆมันไร้ซับอ่ะอันะไรรัพย์ถ้าจะมีทรัพย์ก็สิส้นทรัพย์มีแล้วก็รักษาทรัพย์ไม่ได้ก็หลายคนเนี่ยนะไม่สามารถรักษาทรัพย์ได้ไม่มีบุญพอที่จะรักษาทรัพย์ได้มีอะไรอันนั้นก็เสียหายหมดตัวแล้วอยู่สบายนั่นเอง มันเนี่ยเป็นผลเสร็จกรรมอย่างเบาๆของอาทินนาทานก็วมันทุกข์มากนะถ้าหากว่าผู้ที่ผลของทานให้ผลใช่ไหมมีของรักของชอบใจกว่าจะหามาได้ถูกเขาหลอกไปซะอีกเนี่ยนี่มีโยมคนหนึ่งเขาทานาได้ข้าวหอมมะลิเนี่ยโอ้เป็นเป็นตันอ่ะนะหลายตันด้วยกันขายได้เงินเป็นแสนแสนของชาวบ้านทำนาเนี่ยไม่ใช่เงินเล็กน้อยเลยนะใหญ่มากเลย ถึงในชาวโลกทั่วไปก็ถือว่าของของเยอะอนะแล้วก็แต่ขายเตรียมขายก็มีคนมาหลอกซื้อโอ้ให้ราคาอ ย, ย่างดีเลยจ่ายสตังค์ให้เบ็ดเสร็จมันก็สตังค์อ่ะนะแต่ว่ามันจริงอยู่ไม่กี่ใบที่เหลือปลอมหมดเ <c oughs> นี่ยนะที่เหลือปลอมหมดไปขึ้นธนาคารนี่ยเป็นลมอยู่ธนาคารเลยเนี่ย น, นะถูกหลอกหมดไปนะเค่ <c oughs> ว่าทํานากว่าจะได้เข้าขนาดนั้นมันเหนื่อยมาขนาดไหนใช่ไหม แหวจะได้เงินเข้าไปขึ้นบัญชีซะหน่อยนะั่นนับแต่แล้วปลอมก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็โอ้เป็นลมเลยอันนี้คือเศษอย่างเบาของอาทินนาธานจะถูกหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกนะก็ประดุดเหมือนอะไรนะถ้าพวกทํากรรมเมก็เหมือนอย่างว่าไปถูกโจนข่มขืนมาแล้วนะไปขึ้นโรงพักถูกต่อย อ, อย่างเงี้ยนะเนี่ยลาบากมากเลยทัานถ้าพวกทํากรรมมาแล้วเนี่ยมันมันผีซ้ําด้ามพลอยเรียกว่าเคราะ์ทั้งหลายบากปรกรรมทั้งหลายเนี่ยระดมเข้ามาหมดเลย นะบางคนเนี่ยเพราะเวลาบาปมันให้ผลนะั้นมันสุดยอดที่ความเจ็บปวดเลยนะเขาบอกว่าเศษกรรมเนี่ยถ่ายอย่างเบานะมันเสียน้าําตาทาหนักขึ้นไปกว่านั้นก็เสียเนื้อเสียเลือดถ้าหนักกว่านั้นนี่ก็เสียชีวิตหนักกว่านั้นก็อาบายนั้นถ้าอยากทัากลัวทุกนะอย่าไปทําเลยความชั่วเนี่ยนะทําแล้วจักเดือดร้อนแล้วไปถ้าใครเก็บสถติข้อมูลของผู้ที่เดือดร้อนในโลกนะทําบันทึกของสัตว์โลกที่เดือดร้อนเนี่ยนะท้องสายเก็บไม่หวไม่ไว้เลยนะ ชีวิตของคนที่พ right ูดถึงไปเก็บข <name> ้อมูลความเดือดร้อนเนี่ยของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมาเก็บเนี่ยโอ้โหเป็นตํานานที่เล่าขานไม่มีจบมีสิ้นไหพระองค์ก็เลยมารวบยอดวัชชาที่พิทุขาความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกว่าโดยย่อขันหน้าคือตัวทุกนั่นแหละก็เลยมารวบยอดเอามาเพราะพูดไม่มีจบมีสิ้นนะเป็นเรื่องที่พูดไม่จบจริงๆในเรื่องความทุกข์ของมวลสัตว์โลกเนี่ยนะโดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดมาจากผลของ อกุศลกรรมด้วยเป็นเรื่องที่พูดไม่มีจบมีสิ้นท่า น, นคนที่ทําปานาตีบาตเป็นต้นเนี่ยนะทำอธินนาทานการมีสุนมิจฉาจารย์มุสาวาตมันทําแล้วก็เดือดร้อนจริงจริงเนี่ยนะยิ่งคนที่ทําอากุศลแล้วมาศึกษาธรรมะนี่ก็ร้อนใจก่อนเลยนะแล้วลึกเมื่อไหรก่ก็ก็เคยไปเหยียบไฟมานะเหมือนกับคนที่อะไรเนะีเที่ยวกู้นี่มามากๆขึ้นแล้วพอนึกถึงวันใช่นี่เมื่อไหรก่ก็ขนลุกเลยนะ เดือดร้อนะ อ, อ, อีกแล้วเลยเนี่ย <g ül> ก็ลําบากนะเพราะบาประกรรมทั้งหลายมันสั่งสมเอาไว้นะก็ให้ผลเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งโลกนี้ด้วยทุกข์ทั้งโลกหน้าด้วยแต่ที่สําคัญมันตัดประโยชน์แห่งความสุขออกไปเนึ่ถึงโจรองคุลีมานะถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้านี่ก็เดือดร้อนอีกขนาดไหนดีว่าเจอพระพุทธเจ้าก่อนขนาดนั้นทิฏฐธรรมก็บาดแตกก็ไม่ใช่น้อยเขาเขี้ยงไล่นกไล่กาที่ไหนก็มาโดนแต่ตัวท่านน ะ, นะนี นั่นก็เศษเศษนะถ้าตรงตรงแล้วมันจะขนาดไหนของเรานี่ก็ยังไม่ได้ถึงองค์โจรองคลีมานเลยนะความชั่วทำไมเราจะปฏิบัติบรรลุบ้างไม่ได้นะเรามีศรัทธาหรื อ, ปอเปล่าแค่นั้นนะทีนี้มาดูคาถาที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ไว้ว่าบุคคลใดเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ต้องการความสุขด้วยอาทยาบุคคลนั้นเมื่อสแสวงหาความสุขเพื่อตนจะไม่ได้ความสุขในภพหน้า มีอยู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินไปบินทบาทที่วัดพระเชตาวันนี่แหละในระหว่างท่าบินทบาทในเมืองสาวัตถีนะจากพระเชตาวันไปก็เห็นเด็กพวกตามถนนนี่มันตีงูกันพระองค์ก็ถามไอ้หนูตีงูทําไมกระบอกกลัวมันกัดพระเจ้าข้าว่าไงก็กลัวมันกัดใช่ไหมเห็นงูเด็กกับงูเนี่ยโอ้ตีกันดีนักเลขอมาตีเปนข้างงูเป็นเป็นสิบเหมือนกันนี่ พูดพูดบาปตรงไหนมันก็เจอหมดอ่ะนะนึกถึงตรงไหนก็เนยความมานั้นนะนึกบาปมันค่อยยากหรอกปั๊บปเดี๋ยนะีเห็นอะไรนึกออกเกือบหมดอ่ะนะเกี่ยวกับปานาติบาสนะสายปานาติบาสนี้นึกเก่งมากเลยนึกใบมะขามอ่อนนะยังนึกเออเราก็เคยขึ้นเขย่าไอ้แมลงเนี่ยให้มันตกจากใบมะขามอ่อนมนาะตายเป็นถังเลยนะนึกเมื่อไหรก็เจอไะนึกถึงใบมะขามยังได้เลยอะ่ะใครที่ไม่ทําบุญนะโอ้ไม่ทําบาปเลยนะมีบุญนักหนาจริงๆ ทำบุญอะไรกันมาเนาะทําไมมีบุญจังเลยไม่ต้องทําบาปทํากรรมเนี่ยนะเขาบอกว่าหนูทําไมตีงูก็บอกกลัวมันกัดพระเจ้าข่าพระองค์ก็เห็นปั๊บก็นึกถึงอันนัไอเด็กคนนี้มันไม่รู้อะไรเลยจริงๆเนี่ยนะมันเนี่ยกลัวความทุกข์ใช่ไหมตัวเองเนี่ยกลัวความทุกข์แล้วก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นนี่มันจะพ้นจากทุกข์ได้ยังไงพระองค์ก็เลยเปล่งคาถาอุทานอันนี้ออกมาเนี่ยนะว่า ผูทท้ที่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายที่เบียดเบียนเพราะตัวเองเนี่ยต้องการความสุขะนะ <c oughs> ก็เลยไปเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยการเคี่ยนการตีการปรัทธร้ายสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะไม่ได้ความสุขหรอกในชาติหน้าจริงอยู่ชาตินี้เขาอาจจะสบายจริงแต่ชาติหน้าเขาจะเดือดร้อนเพราะเขาจะไม่ประสบสุข3ประการเขาจะไม่ได้ความสุขในภพหน้านะสุขตัวนั้นมี3อย่างนะหนึ่งเขาไม่ได้ความสุขที่เป็นมนุษย์ สองเขาไม่ได้ความสุขที่เป็นสวรรค์คือทิพย์เนี่ยนะสามเขาจะไม่ได้นิพพานสุขเขาจะไม่ได้ความสุขสามประการเลยเพราะเขาเบียดเบียนผู้อื่นเทอรัศศัตว์ในโลกเนี่ยนะผู้ใดก็ต้องการแต่ความสุขกันทั้งนั้นใช่ไหมใครบ้างเกลียดความสุขรักความทุกข์ไม่มีสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขเกลียดความทุกข์กันฉันใดถ้าผู้ใดทั้งหลายเนี่ยนะเห็นแก่ความสุขของตนแล้วไปเบียดเบียนสัตว์อื่น ก็ฉะนั้นตัวเองก็ไม่ประสบทั้งสุขที่เป็นมนุษย์สุขที่เป็นทิพย์กับสุขที่เป็นนิพพานน่นะก็จะสิ้นความสุขไปคาถาที่4พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลเมื่อบุคคลบริโภคอาหารมากมีความง่วงเหงานอนมากและเป็นผู้นอนกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนสุกรใหญ่ที่เขาขุนด้วยอาหารขุนด้วยผักเนี่ยนะ เมื่อนั้นบุคคลนั้นเป็นผู้เขาก็สู่คันมารดาบ่อยๆนะเนี่ยกินนะฉันอาหารอิ่มเสร็จก็เข้าห้องนอนคืนคาคืนการพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่นันน่ะนะก็กลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนหมูในคอกอะ่ะมันก็ถ้ายังงี้นอนในคันอีกนานเพราะว่ากระท่มกระท่อมประดุดคันของมารดาเขาบอกว่ารังเนี่ยประดุดภรรยาเนี่ยนะแล้วนกเนี่ยไปไหนก็กลับสู่รังใช่ รังก็คือท่านบอกว่าเหมือนกับบุตรและภรรยาส่วนกระท่อมก็คือคันของมารดาเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เราเข้าห้องนอนนั้ะลิกวันนี้จะต้องเข้านอนในคันแม่อีกแล้วหรือเนี่ยนะนึกไว้อย่างนี้ก็ดีนะเนี่ยจะต้องกลับไปนอนในคันอีกแล้วหรือเนี่ยตอนนึกเห็นนึกถึงห้องนอนเมื่อไรก็นึกถึงคันเอาไว้ด้วยนะใกล้ๆกันนั่นแหละเธอบาลีเนี่ยนะคับโพเนี่ยคำว่าคันกับห้องนอนนี่มันใช้ศัพท์เดียวกันพราะนั้นคําว่าคับพระเนี่ยจะนึกถึงคันก็ได้นึกถึงห้องนอนก็ได้ มันเมื่อไรเข้าห้องนอนก็นึกถึงคันด้วยเพราะว่าห้องนอนที่เรานอนได้นานที่สุดเนี่ยนะนอนระยะยาวมากก็คือในคันนะ่ะนะนอนสิบเดือนนะ่ะนะอยู่ในนั้นสิบเดือนโอ้อยู่ได้ทนมากเลยนะไม่ยอมออกด้วยนะแต่ก็มีนะสมัยใหม่ไม่กี่วันเนี่ยดูรูปคือมันมีเด็กคนหนึ่งที่ทําท่าเหมือนจะตายในคันก็ต้องเขาเขามีผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดของเด็กที่อยู่ในคันนะก็ เ อ, เอาแม่มาใช่ไหมคือแม่ที่จะมีคันแบบนี้โดยมากแม่อายุค่อนข้างมากแล้วแต่ต้องการลูกอยากได้ลูกเป็นคนมีลูกยากอายุมากแล้วรวยมากก็กอยากได้ลูกเนี่ยนะพออยากได้ลูกก็ก็เขานิ่ยมักจะไปตรวจใช่ไหมดูท่าเด็กในคันจะไปไม่รอดแน่เปอร์เซ็นต์พิการมันสูงมากก็ต้องผ่าตัดผ่าตัดเด็กในเขาเรียกว่าผ่าตัดผ่าท้องแม่ก่อนไหเอาเด็กที่อยู่ในคันออกมาผ่าตัดและยัดเข้าไปในคันใหม่ และเย็บเอาไว้ยอย่างนี้นะรอวันคลอดจะได้ผ่าออกมาคลอดอีกรอบหนึ่งนะก็มีนะแค่เรามีเสร็จออกจากห้องตอนนั้นนะออกมาผ่าตัดเราจะได้เข้าห้องใหม่ถามว่ามีนะนี่ที่แต่แต่คนไทยไม่ทราบมีหรื อ, อยังแต่ฝรั่งนี่มีเข้าทดลองจากแพะก่อนอเขาก็ให้แพะเนี่ยผ่าแพะก่อนคือคือฉีดเนี่ยจนแพะมันป่วยพิการแบบนั้นแล้วก็ออกลองออกมาผ่าตัดเ้าก็ดูแพะแล้วก็ยัดเข้าไปในท้องใหม่แล้วก็ผ่าออกอีกรอบหนึ่ง อันน so ั้นก็ผู้ที่นอนอยู่ในครันก็ลักษณะนั้นนะนะไม่รู้จะเข้าออกเข้าออกแล้ววังๆก็ถูกดึงออกมาผ่าอีกก็มีอันนั้นหนังสือเล่มโตนะเล่มหนังสือทางแพทย์นี่ก็แพงแล้วนะแต่ว่าแบบนี้ก็มีอยู่ในโลกเนี่ยนะก็รายงานออกมาว่าเป็นอย่างนั้นก็มีแต่เป็นฝรั่งนะเขาอยากได้ลูกมากและอายุมากแล้วทำอะไรมาเนาะเนี่ยเนี่ยต้ก็อยู่ในคันเลยถูกผ่าตัดต้องอยู่ในคันเลยเนะ ที่ดูคลอดออกมามันจะโรคภัยไข้เจ็บสารพัดขนาดไหนเนะและ้วก็ันเวลาเราเข้าห้องนอนเมื่อไหร่แล้วก็นึกคำเนียวันเนี่ยจะไปนอนในคันอีกแล้วนะและ้วก็เออขอให้มันเป็นมนุษย์ก่อนยังดีเนี่ยนะอย่างงั้นก็ <c oughs> ก็ต้องไปดูรายงานอะไรนะรายงานสมัยเครือริดนุมๆเนี่ยนะเขาก็พูดถึงรายงานทางการแพทย์ยุคโบราณเนี่ย พูดถึงความกันดานความแร่นแค้นของประชาชนในชนบทของประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยนะบางยุคบางสมัยเนี่ยคนตายเกลื่อนจริงๆตายมากนะหิวาตกะโรคเนี่ยหรือเรียกว่าตายระบาดตายเกลื่อนแม้แต่สมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่น้อยเนีเมืองต่างๆที่ฝนมันแรงแรงมาหลายปีข้าวกล้ามันอดอยากกันดารเนี่ยนะในที่สุดพวกสัตว์ทั้งหลายก็ทยอยตายไปเรื่อยในที่สุดมนุษย์ก็ตายบางหมู่บ้านเนี่ย ตายหรือหลังคาละคนก็มีหลังคาเรือนทีเหลือคนเดียวก็มีตายกันมากตายแล้วถามว่าตายเท่าไหร่ก็โดยมากเกิดใหม่เท่านั้นแต่มจะเกิดเป็นอะไรเท่านั้นเองนะในช่วงที่สมมุติว่ามันตายกันเป็นเบือกันหมดเลยเนี่ยถามเราถ้าเราจะเกิดเกิดตรงไหนเอาทุกคนก็แย่งกันตายหมดนะเท่ากับแย่งกันเกิดด้วยนะแล้วนิมิตของเราควรที่จะเกิดในภพใหม่เกิดตรงไหนนะหรือเกิดแล้วถือหรือ เอาโอกาสชาวนะตัวไหนที่มันนําเกิดสวยๆเป็นมหากุศลดวงที่หนึ่งเนี่ยนำเกิดเลยนะติเีตุกปะปฏิสนธิหรือเอาเลวกระจอกมากก็ทาวิเหตุก็ยังดีไม่ใช่ง่ายนะที่จะได้โดยเฉพาะผวังขจิตเนี่ยที่มันได้ผวังขจิตแบบมีคุณภาพหน่อยนะเพราะว่าชาวนะจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่อนุภาพของภวังขจิตก็เหมือนกับสมมุตินะถ้าเรายกมือเนี่ยไอ้ตัวที่ทําให้ยกมือเนี่ยมันจิตจะชรูปช่วย้ตัวยกอะ่ะ แต่ถ้ากายกายยัทธสกะหรือกลุ่มกายยปสาถ้ามันเสียหายไปหมดแล้วยกยังไงคุณภาพของการยกมันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงฉันใดถ้าชาวนาจิตที่เกิดขึ้นโดยภวังขจิตที่ไม่มีคุณภาพนะมันก็ฉันนั้นแหละฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องนะฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องรับอะไรมากๆก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ั้นก็กว่าจะได้ว่าได้บุญกันขนาดนี้นํามาเกิดนะก็ขอมุติตาด้วย แต่ถ้ารักษาได้ไม่เท่าเดิมก็ขอกรุณาด้วยพอ ม, มิหารพรองให้สอนให้ครบวงจรเลยไหมอ๋อหลายๆอย่างเนาก็ระวังนะเข้าห้องนอนทีหนึ่งบอกเข้าสู่คันอีกแล้วถามว่าพระองค์ประสงค์อะไรที่พระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนเขาย่อมเข้าสู่คันมานดาบ่อยๆเนี่ยต้องเกิดอีกบ่อยๆเนี่ยพระองค์ก็ต้องการว่าผู้ที่ต้องการพ้นจากชรา ม, มรณะนะจะต้องรู้จักประมาณในโภชนะ โพชเนมตันยุตาต้องดี น, นะข้อ2รักษาทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์สังวรก็ต้องดี 3. โภชเนมตันยุตาก็คือการประกอบความเพียรต่อเนื่องในการเจริญกรรมฐาน น, นะข้อ3ก็คือชาคริยานุโยคนั่นเองข้อ4เป็นผู้ดูแลในกุศลธรรมทั้งหลายก็คือดูแลกุศลรักษากุศลไว้เป็นอย่างดีข้อห้า เป็นผู้มีความเคารพในเพื่อนพรหมจารีทั้งที่เป็นเถระนวกะและมัชชิมะนี้เป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้าถ้าปรารถนาจะพ้นจากทุกเนี่ยนะก็เนี่ยนะข้อปฏิบัติ5ประการก็แรกนะโภชเนมตันยุตารู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภคและรู้จักประมาณในการสละเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4ี่นะ พ่อโภชนะตัวนั้นแทนคําว่าปัจจัย่ตัวอีกครั้งหนึ่งนะรู้จักประมาณในการสแสวงหาสองรู้จักประมาณในการรับสมรู้จักประมาณในการบริโภคสี่รู้จักประมาณในการสละรักษาทวารในอินทรีย์ก็คือไม่ให้ชอบไม่ให้ชังในทวารหกตาเห็นยังไงไม่ชอบกับแต่ไม่ชังแต่ก็ไม่ใช่เข่านะห้ามชอบห้ามชังในทวารหอะ่ะไม่โกรธ แต่ก็ไม่ชอบนั่นแหล ะ, หล ะ, รลห ะ, ะ เ, เรียกว่ารักษาอินทรีสังวรให้ดีโพชเนมะตันยุตตะเรียกว่าอินทรีย์สังวรส่วนต่อไปชาคริยานุโยกก็คื อ, เ, อ, อเป็นผู้เจริญกรรมฐานอย่างต่อเนื่องด้วยความตื่นคนที่เข้าใจกรรมฐานเนี่อรู้ว่าตอนที่เจริญกรรมฐานอย่างต่อเนื่องตอนนั้นตื่นตัวจริงๆตอนที่เจริญกรรมฐานนะสังเกตใครที่เจริญกรรมฐานได้ดีๆเนี่ยจะรู้ว่าช่วงที่เจริญกรรมฐานช่วงนั้นตื่นจริงๆเพราะนิวรรบาปอากุศล ไม่กลุ่มรุมแต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยตื่นแต่ร่างกายใช่แต่ใจเนี่ยง่วงเงียตเต็มทีแล้นั้นคำว่าชาคริยานุโยกอันนี้หมายถึงตื่นทั้งกายและตื่นทั้งใจแต่ก็ไม่ใช่ตื่นเต้น ก, กันนะคนละอย่างนี่ไม่ใช่ไปทำตัวตื่นเต้นไปหมดเลยไม่ใช่ก็เป็นผู้ดูแลในกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าดูแลกุศลธรรมทั้งหลายก็คือดูแลศรัทธาหิริโอตตาสุตะ จากะปัญญาพวกศีลเป็นต้นเนี่ยนะวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยพวกนี้ก็ต้องดูแลบริหารกุศลเหล่านั้นให้ดีหรืออีกในหนึ่งก็บริหารอินรี่ห้าให้ดีนะบริหารดูแลอินทรียห้านะสถานในไหนโสตาปฏิยังฆธรรมสี่วิริยะในสัมมาประธานสี่สติในสติประฐานสี่สมาธิในฌานสี่ปัญญาในอริยสัจสี่ แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้นะข้อห้าสำคัญที่สุดกุศลธรรมเหล่านั้นจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนะอยู่ที่ว่าเราเคารพในเพื่อนสักพรหมจารีไหมบางคนเนี่ยไม่มาศึกษาพระธรรมเพราะทะเลาะกันเองเอนะคุยกันไปคุยกันมาขัดคอกันเลยไม่ได้มาเรียนเลครับ น, นี้นะก็นี่คือคือทะเลาะกันเองบางคนก็ไม่ชอบพระเถระเช่นก็คือไม่ชอบอาจารย์นะพูดง่ายๆก็ไม่ชอบอาจารย์บ้างไม่ชอบเพื่อนร่วมห้องบ้างอย่างนี้น เพราะอะไรเพราะขาดความเคารพขาดความยำเกรงเมื่อขาดความเคารพขาดความยำเกรงก็คอมเกันมองกันด้วยสายตาที่ไม่ดีช่วงนี้เตโชธาตมันกำเริบเสียงมันก็แสกแสกบ้างะนะอย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวจะป่วยอันนีขาดความเคารพในเพื่อนสะพรมจารีคือความเคารพในเพื่อนพรหมจันทร์เนี่ยสำคัญมากมันเป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะกัน ถ้าทะเลาะกันแล้วหลายแห่งที่คิดเข้าคุยกันพูดคุยกันด้วยการขาดเมตตาต่อกันเมื่อขาดเมตตาต่อกันก็คือเขาต้องการใช้คําคมที่สุดที่จะบาดใจอีกฝ่ายหนึ่งที่สุดไพเราะที่สุดแต่ว่าทุกที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคนเนี่ยจะชอบหาคําประเภทนั้นมาใช้กันหักล้างวาทะซึ่งกันและกันคมซึ่งกันและกันให้รู้ว่าฉันเนี่ยเหนือกว่าก็ทะเลาะกัน มันพวกที่ทะเลาะกันอย่างนี้ตอนหลังก็ไม่ได้ศึกษาพระธรรมผู้ที่ถ้าเป็นพระภิกษุนะถ้าขาดความเคารพในเพื่อนศัพท์พรหมจรีเนี่ยทั้งที่เป็นพระเถระมัชชิมะนวกะเป็นต้นเนี่ยถึงกับศึกหาลาเพศเลยก็มีไม่ใช่น้อยอย่างเช่นพระหนุ่มเนน้อยไม่ชอบพระเถระก็ศึกพระเถระไม่ชอบพระหนุ่มเนน้อยก็เดือดร้อนเนี่ยนะเดือดร้อนเลยแหละก็เคยไปถามบอกพระอาจารย์ตอนนี้เป็นยังไงสบายดีไหมครับบอกจะสบายอะไรวะงั้น เนี่ยเนรมันวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยผมเครียดมาหลายวันแล้วนี่ขนาดบวชมา น, ะนั้นเอยังทุกขนาดนี้เลยนะแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ที่ขาดความเคารพในพระเถระในพระมัชชิมะพระนวากะเนี่ยที่มาของการทะเลาะเบาทะเลา ะ, ะเบาแหวงกันอย่างว่านะโดยที่สุดแม้แต่หมู่คารวะาที่เราในแวดวงในศึกษาธรรมะเนี่ยนะบางทีก็คุยกันไปคุยกันมาก็คอม็นตกันเอ ง, เองนะั่แหละมาเรียนด้วยกันทั้งคู่นะนะั่นแหละคุยทะเลาะกันไป ว่ากันไปว่ากันมามองด้วยสายตาที่ขาดเมตตาก็เลยได้ศัตรูเพิ่มเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันมาเรียนธรรมมาด้วยกันไม่รู้ได้อันนี้สงอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่คําสอนสักหน่อยนะจะได้ศัตรูขึ้นไอ้นั่นมันก็ไม่ดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อันนั่นก็เลวเหลือทนไอ้เจ้านี่ก็เจ้าอารมณ์อ่ะนะแต่ฉันไม่เป็นไรฉันดีหมดอนะเท่าที่ผ่านมานะฉันก็ยังกปกติเหมือนเดิมเห็นไหมก็ไม่มีใครเลวจริงๆอ่ะนะไม่มีใครยอมรับอ่ะนะ ก็อย่างว่าไม่น่าในธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องเขามีอย่างนี้ว่าโจรทํำลายปมดังกล่าวไปใช่ไหมไปไปมีอยู่วันหนึ่งโจรที่ไปล้วงกระเป๋านะสมัยนี้แค่โจรล้วงกระเป๋าอ่ะก็ไปล้วงกระเป๋าในวัดพระเชตวันนั่นแหละทีนี้ปกติก็ล้วงมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้อะ่ะตอนหลังก็เอ้ยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเทศเออมันก็น่าฟังอะ่ะแต่ก็เลยลืมไปลืมไปขโมยก็เลยนั่งฟังฟังจนบรรลุะ่ะฟังตอนเช้าบรรลุเลย พอบรรลุก็กลับบ้านไปก็เมียถามบอกเป็นเนี่ยได้มากี่ตังค์ว่างัน้นบอกไม่ได้อะไรหรอกวันนี้ฟังคำเนี่ยได้บรรลุแล้วว่างัน้นเมียก็บอกผมจะไปดีอะไรไบรรลุอ่ะก็เ <c oughs> <c oughs> มียก็เลยดา่าบอกว่าแกนี่มันโง่จริงๆเลยว่างัน้นไปแล้วก็ยังไม่ได้สตังค์กลับมาผัวนี่งงเลยนะเมียด่าให้ก็เลยกลับมาวัดใหม่เล่าพระตะวาันพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยเป็นอย่างนี้พระเจา้าค่ะพระองค์ก็บอกว่านี่แหละคนที่รู้คนโง่รู้ตัวว่าโง่ก็ยังจะพอเป็นบัณฑิตได้บ้างว่างั้น แต่พวกที่โง่แล้วก็สำคัญว่าตนว่าเป็นบัณฑิตอยู่นั่นแหละอันนี้สงสัยอนุรักษ์นิยมเลยนะใครสอนไม่ได้เลยนะเหมือนอะไรนะเหมือนสัตว์บางชนิดนะมันห่อหุ้มตัวเองได้เก่งมากนะจนอย่างอื่นเข้าไปยุ่งกับมันไม่ได้ฉัน้นใดก็ดีผู้ที่ประมาทก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นความมีเมตตาต่อกันและกันเนี่ยนะตั้งความเคารพไว้อย่างแรงกล้าในเพื่อนสภะธรรมมิกสพรมจันท ร, ร์ทั้งหลาย ท่านพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าไปทะเลาะไปด่าคนอื่นๆทั่วๆไปนอกวงการนะยังจะบาปน้อยกว่าทะเลาะกับผู้ที่อยู่ในวงการธรรมะเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราเกี่ยวข้องกับคนมีศีลถ้าเขาไม่ดีระดับหนึ่งเขาไม่ฟังธรรมหรอกถ้าเขาไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตะไม่มีสุตะไม่มีคุณธรรมใดคุณธรรมอย่างหนึ่งอยู่ในตัวเขานะเขาไม่มาศึกษาธรรมะหรอกถ้าเราไปทะเลาะเบาแวงกับคนกลุ่มนี้อะไรจะเกิดขึ้นเราจะ ถามว่าชีวิตของเราจ ะ, จะเสียหายขนาดไหนเนี่ยนะถ้าท่านบอกว่าไปดา่าคนนอกาศาสนาที่ได้ฌานนะยังจะบาปน้อยกว่าด่าผู้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำไปเนี่ยนะถ้ามันถ้าไปทะเลาะเบาแวงกับผู้ที่มีศีลมีคุณธรรมเป็นต้นเนี่ยนะเสียหายหนึ่งเราจะเลิกศึกษาคำสอนอันนี้ประโยชน์แห่งอมะตะเราก็ลดลงไปใช่ไหมเหตุแห่งสุขติก็หมดไปเพราะฉะนั้นการตั้งความเคารพเนี่ยดีมาก พระพุทธเจ้าให้โอวา่าพระมหากระสปะเลยว่าให้ตั้งความเคารพในเพื่อนสัพพมจารีทั้งที่เป็นพระเถระมัชิมะและนวะกะไว้ด้วยความเคารพอย่างแรงกล้าส่วนพระมหาโมคคัลลานะท่านบอกว่าท่านเคารพโดยที่สุดแม้สัมมาเนนแม้แต่สัมมาเนนอง์เล็กองคน้อยเนี่ยนะท่านตั้งความเคารพไว้ว่าเพราะว่าสัมมาเนนเหล่านั้นก็คือเป็นพุทธบุตรเนี่ยนะเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเพราะาท่านเหล่านั้นสามารถที่จะประพฤติธปฏิบัติแล้ว บรรลุมรรคผลได้เพราะฉะนั้นอการที่สังวีสัมรวมระวังตั้งไว้ในความเคารพต่อกันอย่างแรงกล้าเป็นเป็นเรื่องดีที่สุดมันถ้าเราไปดูหมิน่นผู้มีคุณทั้งหลายโดยเฉพาะมีคุณคือศรัทธาศีล ส, สุตะจาระค้าปัญญาเนี่ยถ้าเราดูหมิ่นเมื่อใดอันนั้นก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ของเราหรือแม้กระทั่งคําพูดที่ล้อกันเล่นล้อกันไปล้อกันมาเป็นต้นเนี่ยนะแกนี่มันโง่ و, ใช้ไม่ได้เป็นต้นเนี่ยแบบพระจุลบรรทกอดีตชาติใช่ไหม ดาพระภิสูุรูปหนึ่งที่เรียกว่าท่านเรียนไม่ฉลาดตอนหลังชาติหลังๆมาตัวเองก็โง่มาตลอดอ น, นะก็ด้วยกรรมพันธาอยู่ในเวทวงผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะศึกษาอยู่ในไตรศิขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เราจะต้องตั้งความเคารพอย่างแรงกล้าเอาไว้เลยเนี่ยนะเกรงอกเกรงใจเขาไว้อย่างแรงกล้าบางคนก็ไม่กล้ า, าไว้วานจะใช้งานผู้อื่นเพราะอะไรเพราะเขากลัวโทษเนี่ยนะเพราะว่า ก็ระลึลกไว้เสมอใช่ไหมมีชาดกมีอดีตนางอดีตชาติของนางคุชุดตะราอุบาสิกาใช่ไหมไปใช้ใครไปใช้พ้าอาหารให้หยิบของอ่ะนีหยิบเครื่องแต่งตัวให้ครั้งเดียวนะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นทาสได้อีกหลายชาติเนี่ยนะของเราทั้งหลายถ้าไปใช้ผู้ที่มีคุณธรรมมากกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะงะั้นก็ต้องสังวรสำรวมระวังเนี่ยนะก็คือให้รู้ว่าผู้มีศีลทั้งหลายเนี่ยจะเรียกว่าไฟก็ไฟ อ่ะ น, นะจะเรียกว่าของร้อนก็ของร้อนอ น, นะเพราะว่าอ่าถ้าเราไม่ตั้งความเคารพเคารพยำเกรงเป็นต้นเนี่ยนะอ่าวิบากของชีวิตเนี่ยนะัมันมันอาภัพจริงๆหรือไปด่าพระเถรีรูปหนึ่งไมไหมว่าหญิงแพร่สาคนไหนถ้าไปด่าคนธรรมดาทั่วๆไปมันก็ไม่หนักจากเท่าไหร่ไปด่าผู้มีคุณแล้วคุณธรรมในาศาสนานี้ไม่มีใครขึ้นตัวเลขบอกรหัสเลยว่าเหมือนยอดเหมือนตําแหน่งแบบชาวโลกใช่ไหมชันโสดาบันนะขึ้นมาตรงเลยที่บา่าเ ง, งี้ยไม่ใช่ เนี่ยะสกะทาคามีขึ้นมาแลว้วเป็นต้องก็ไม่ใช่มันดูจากภายนอกดูไม่ได้หรอกถ้าคุณธรรมไม่เหมือนกันก็รู้ไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจะไปดูถูกดูหมิน่นไปเหยียดหยามบางคนนี่เหยียดหยามเขาดูหมิ่นเขาไปด่าเขาด่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เครียดเจ็บใจพูดเน็บแนมกันไปเน็บแนมกันมาเนี่ยนะมันเนบแนมใครอะสิ่งที่ตนเน็บไปเนี่ยจะได้กลับคืนมาเนี่ยนะสังวรสำรวมระวังอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุด เพราะว่าหลายคนไม่ศึกษาธรรมะเลิกศึกษาธรรมะก็เพราะทะเลาะ ก, กันเองก็คือผู้ร่วมประพฤติไตรสิกขาด้วยกันพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาพรหมจารีตัวนั้นคือบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์ส่วนสร ะ, สะตัวนัน้นสะนำหน้าเนี่ยนะเพื่อนตัวนั้นรือสะเนี่ยก็คือเพื่อนที่ร่วมประพฤติพรหมจรรย์กันฉะนั้นผู้ผู้คลเหล่านั้นเป็นผู้มีซาบอะมีอริยซัพ์เป็นต้นถ้าไปล่วงเกินก็มีโทษเนี่ยนะ เพาท่านเหล่านั้นประดุดไฟถ้าเป็นพระพิสูจน์เนี่ยจะเห็นชัดเนี่ยถ้าเกิดการทะเลาะ ก, กันขึ้นมาเช่นถ้าทะเลาะ ก, กับสมมติว่าพระเราบวชเข้ามาใหม่นะทะเลาะ ก, กับอาจารย์เราไม่ได้เรียนแน่เพราะเราก็ไม่อยากเห็นหน้าอาจารย์นะเราก็ไม่อยากฟังคำฟังธรรมฟังอะไรเราก็คําแนะนํำเราจะไม่ยอมรับโดยประการทั้งปวงถ้าโกรธเพื่อนนะเราก็แหมกักตัวเองเป็นล้อมบริเวณเราจะไม่ไปฝั่งโน้นที่มาของปัญหาบานปลายอีกบาน ทะเลาะเบาแวงกันแก่งแย่งกันส่อเสียดกันไปส่อเสียดกันมาหนักที่สุดนะอันนี้สงฆ์สามารถทําสังฆเพศได้เนี่ยนะอย่าว่ามักผลโดยในที่สุดในเจริญอนันตรยกรรมแทนเลยนะมันก็นี้เป็นความผิดพลาดที่เรียกว่าไม่เจริญมันเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวาจีกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตามนโนกรรมต่อหน้ารับหลังนะคร่าประพฤติอยู่ในสารานิยธรรมอันนี้เป็นธรรมที่ควรประพฤติจริงๆเพราะว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแต่ถ้า พอมาดูแลมีอยู่บางแห่งเนี่ยเขาทะเลาะ ก, กันเองอะนะเสร็จแล้ววันนั้นทั้งคู่นั่งฟังธรรมไม่ได้เรื่องเท่าไรหรอกแม้กระทั่งอย่าไม่ใช่เด็กๆนะผู้ใหญ่กันทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นปู่เป็นย่า ก, กันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลูกเล็กๆ เ, เด็กแดงไม่ใช่นะที่มทะเลาะ ก, กันเนี่ยบางทีก็เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายกันแล้วเนี่ยมาคอมเนตกันเนี่ยลําบากมากน่าเห็นใจมากๆเพราะว่าประพฤติตนดุดโคเขาขาดเนี่ยนะตัดมานะที่เป็นเหมือนธงออกซะ นั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขตั้งความเคารพไว้อย่างแรงกล้าเถอะอย่าไปพูดดูหมิ่นดูแคลนถ้าพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็พูดด้วยความเคารพถ้าเราพูดในความไม่ดีความเลวของเขานีสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของของตนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปแช่งเขาหรอกไม่ต้องไปอะไรหรอกบาปเขานี่แหละจะทําลายตัวเข้าเองโดยโดยธรรมชาตินี่นะการจะว่าก็อันนี้คือพราขาดความเมตตาต่อการขาดความหวังดีต่อกัน ทุกคนก็จะมุ่งเอาประโยชน์ของตนเนี่ยนะก็คือไม่ได้ประพฤติตามธรรมนั่นแหละแต่ว่าเชื่อไหมโมสังพระอริยะจริงๆไม่มีผู้ที่มีศีรสามัญตาทิฏฐิสามัญตาเนี่ยนะเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ติเตียนบาปเป็นผู้ติเตียนบาปอากุศลโดยเฉพาะอากุศลในจิตของท่านท่านรังเกียจ ม, มันมากท่านตำหนิมันมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเห็นโทษโดยความเป็นโทษการขอโทษผู้อื่นท่านทาง่าย นะถ้าหากว่าโทษอันนั้นผมมีอยู่แก่ผมไซส์ผมขอโทษท่านด้วยนะอย่างที่ภาษาที่บทก่อนจะไปนิพพานท่านยังขอโทษลูกศิษย์ท่านเลยนะถ้าหากว่าโทษทั้งหลายที่กระผมมีอยู่เนี่ยนะที่ท่านทั้งหลายติดตามและเห็นมันโทษอันนั้นก็ท่านช่วยอดโทษให้ผมด้วยนะเป็นต้นเนี่ยเขาจะขอโทษนะเขาไม่ไม่ได้ว่าเยอ่อยิงจ้องห้องถือตัวอะไรไม่ใช่เขาบอกว่าผู้ผู้มีคุณธรรมมากยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน ก็ S <S <an throp od> um, ทิีเนี่ยแมลงป่องเนี่ยก็ถูกต้องนะคนที่ไม่มีคุณเนี่ยนะหรือมีคุณแต่หน่อยเดียวเนี่ยนะโอ้โหแมลงป่องนี่มันมโชว์หน้าดูเลยเนะแต่ถ้าเป็นพวกงูจงอางจริงๆแล้วมันมันมันก้มลงค่อยๆเลาะไปนะถ้าเคยถ้าใครอยู่ในป่าเนี่จะเห็นถ้าเขาจะดูเนี่ยเขาจะขึ้นมาสูงเลยนะถ้าจงอางนะมันจะโผล่หัวขึ้นมาสูงเหนือป่าแล้วแล้วมันจะมองดูแต่ตอนไปก็จะค่อยๆเลาะไปะนานๆจะขึ้นมาเหนือป่าแล้วก็ดูอีกครั้งดูบริเวณโดยรอบ แล้วก็ลงไปอย่างนี้อีกครั้งนึ่งแต่แมลงตองนะไปที่ไหนก็ก้างสองข้างอ่ะนั่นนิดเดียวอนะ่ะนั่นไถึงปูด้วยนิดเดียวแล้วก็หางอีกหน่อยหนึ่งก็โอ้โหแล้วก็ยกกล้ามหน้าดูเลยนะเขามีกล้ามอยู่นิดเดียวไปถึงนิ้วก้อยอะ่ะยกปายเนี่ยนะในที่สุดเขาก็เอาไม้อันหนึ่งก็สับโป๊ะเข้าไปเละตายตรงนั้นนะนั่นนะมันก็จะได้เป็นเช่นนั้นเลยเนี่ยนะคือถึงเราแบ่งอวดแบ่งด้วยอํานาจของมานะอะไรก็ตามเธอ ยิ่งแบ่งมากมันก็อื้องวันยังคำ่ำแบ่งยังไงมันก็ไม่โตเท่าวัวนะมันก็แบ่งได้เท่าอื้งนั่นแหละเชื่ออมาณนะ์ของเรามันก็ใหญ่เท่านั้นแหละพูดได้มันก็เท่านั้นแหละถึงถามว่าเออนะถ้าเรามีอํานาจจริงแล้วพูดให้คนกลัวได้ลนะถามว่ามันฉลาดอะไรขึ้นบ้างอ่ะคนแบ่งได้ประโยชน์อะไรคนที่ถูกรับการแบ่งออกมามีประโยชน์ตรงไหนต่างฝ่ายก็ที่แน่ๆก็ได้บาปเปนทั้งคู่นั่นแหละ เดีบาปที่ทําไปแล้วจะให้ผลในชาตินี้ก็มีใช่ไหมกรรมบางอย่างที่จะทําก็มีเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นโทษของบาปนะว่าผู้ที่เจริญปฏิบัติธรรมในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคผู้รังเป็นผู้รังเกียจบาปนะรังเกียจบาปตําหนิบาปโดยเฉพาะบาปภายในนะไม่ใช่ไปเที่ยวเห็นแต่บาปคนอื่นไปหมดเลยพระองค์ตรัสว่าคนที่ตามเพ่งโทษคนอื่นเขาเหล่านั้นจะห่างจากพระนิพพานเนนะถ้ายิ่งตามเห็นโทษคนอื่นเท่าไหร่นะ หาพระนิพพานเท่านั้นอันนี้คือตามเห็นโทษด้วยอนนานาจโทสะนะแต่ถ้าตามเห็นโทษด้วยอำ น, นาจวิปัสนาอันนี้ใกล้นิพพานเคยเห็นโทษด้วยอำ น, นาจโทสะกับเห็นโทษด้วยอำ น, นาจวิปัสนาคนละอย่างกันท่านการเจริญสติปัฏฐานพระองค์จึงบอกว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะกําจัดความชอบและความชังต้องไม่ชอบและไม่ชังที่เรียกว่าไม่มียพิชากับโทมนัสแล้วก็ภาพเพียรพยายามเจริญต่อไป